บทสวดชุมนุมเทวดาสักเเคกาเมจะรูปเปคิริสิขรัตเตจันตะลิเควิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะรุวนะคะเนเคหะวัฒุมหิเคเตพุมมาจายันตุเทวาชะละถะละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติดถันตาสันติเก ยังมุนิวราระวจนะังสาทโวเมสุนันตุธ ร, รมะ ส, ส, ส, สวนกาโลอยำพัทันตาธรรมะสวนกาโลอยำพัทันตาธรรมะสวนกาโลอยำพัทันตาขอเชิญเทพเจ้าทั้งหลายซึ่งสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นกามาภปก็ดีรูปภปก็ดี และเทวดาซึ่งสถิตอยู่หน้ายอดเขาและหุบเหวและวิมานในอากาศและภูมะเทวดาที่สถิตในแผ่นดินในแว่นแคว้นในแดนบ้านในต้นพฤกษาและป่าชัดในที่เรือนและในที่ไร่นาก็ดีทั้งยักษ์คนทันนาคซึ่งสถิตอยู่ในน้าบนบกที่ลุ่มที่ดอนก็ดีอันอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้คำนมส ก, การพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสภัควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรร ม, มาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภัควาติ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์สวากขาโตภคะวตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัจจัตังเวทิตตโพวินยูหีติพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆ ยยะปติปันโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆสามีจิตปติปันโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุขคลาเอสสะภะคะวะโตสาวะกัสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระเนยโย <Arabic> อนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ทักษินาทานเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า